วันนี้เราก็มาถึงโค้งสุดท้ายนะของการจัดงานเพื่อถวายหลวงพอ่อเป็นการปฏิบัติต่อสริระของหลวงพอ่อนะเรียกว่าโปรงสริระหรือโปรงศพนะมันมีงานที่ยังต้องอาศัยความร่วมแรงร่วมใจของมวกเราอีกพอสมควรเท่าที่ประเมินเมื่อวานนี้ก็ทำไปแล้วได้แปดสิบเปอร์เซ็นยังขาดอีกยี่สิบเปอร์เซ็นตวันนี้นะก็ ควรจะทำให้ได้อย่างน้อยก็ส5อนะอีกห้าปอร์ซนตต้องไปทำพรุ่งนี้นะเช่นการจัดโต๊ะเอาโต๊ะเอาก็อีไปวางบางอย่างมันก็ทำไม่ได้ในวันนี้เพราะว่าจะเป็นภาระเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนให้พวกเราได้ใครที่มีเวลาก็ไปช่วยกันนะที่วัดภูเขาทองให้ทำกันแบบสุดหัวใจนะ หลวงพ่อคำเขียนเขาชอบใช้คำนี้นะให้ปฏิบัติอย่างสุดหัวใจนะสุดหัวใจนี้ท่านใช้กับการปฏิบัติน ะ, จะเจริญสตินะแต่วันนี้เราจะทำเพื่อท่านอย่างสุดหัวใจเช่นเดียวกันนะแต่ก็อย่าถึงกับหมดเนื้อหมดตัวนะทำสุดหัวใจแต่อย่าหมดเนื้อหมดตัวนะหมดเนื้อหมดตัวไปกับ งานจนลืมตัวอันนี้ก็ไม่ถูกนะทุ่มเทไปกับงานจนลืมตัวก็ไม่ถูกมันได้แต่ประโยชน์ท่านแต่ไม่ได้ประโยชน์ตนประโยชน์ตนในที่นี้หมายถึงว่าอาจจะหงุดหงิดลาคาญใจเพราะว่าจมอยู่ในอารมณ์ไม่หมดเนื้อหมดตัวไปกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นเวลาทำงานเช่นความหงุดหงิดความโกรธที่ไม่ได้ดังใจ หรือว่าเพราะมีการกระทบกระทั่งกันนะทำสุดหัวใจนะแต่ว่าอย่าให้หมดเนื้อหมดตัวอันนี้แหละนะเป็นการปฏิบัตินะที่เราจะาถวายให้กับหลวงพ่อของเรางานหลายอย่างหลายชิ้นจะต้องรีบแต่ว่ารีบก็ตามอย่าให้รนนะงานหลายอย่างต้องเร่งรีบนะแต่ว่าใจอย่าร้อนรนนะ ให้เราทําด้วยความกระฉับกระเฉงเร่งรีบแต่ว่าใจนะสงบเย็นเป็นปกติงานบางอย่างเนี่ยเราจะเราต้องเพิ่มสปีดนะอันนี้ไม่รวมถึงการพับกระทงนะพับกระทงทําไปเถอะนะไม่ต้องเร่งสปีดเรากเพราะยังไงมีจานจานพองานบางอย่างต้องเร่งต้องเพิ่มสปีดนะจะทําแบบรถไฟไทยไม่ได้นะ รถไฟไทยนี่เชื่องช้านะเราต้องใช้ต้องทำไปหนึ่งว่าเราเป็นรถไฟความเร็วสูงแต่ใครที่เคยขึ้นรถไฟที่ความเร็วสูงไม่ว่าที่ญี่ปุ่นหรือที่จีนหรือว่าที่ยุโรปเนี่ยเราจะพบว่ารถไฟมันเร็วก็จริงนะแต่ว่าข้างในนี่สงบนะใครที่ได้ไปนั่งรถไฟเนี่ยที่ความเร็วสูงเนี่ยข้างนอกนี่เร็วแต่ข้างในนี่สงบนะนิ่งเงียบ นะไม่มีเสียงรบกวนเท่าไหร่ไม่เหมือนรถไฟไทยรถไฟไทยนี่ช้าเสียงดังอุ ก, อ ก, กตึกอีกต่างหากนะโครมครามโครมครามเนี่ยอยู่ข้างในวันนี้เนี่ยเราจะไม่เป็นประหนึ่งนะรถไฟไทยนะแต่ว่าเราต้องเป็นรถไฟความเร็วสูงสำหรับงานบางงานนะก็คือเร็วรีบแต่ว่าไม่รนเนะย็นเป็นปกติได้ให้ถือว่าเรา ไม่ใช่แค่ทำกิจนะแต่เราทำจิตด้วยไม่ใช่แค่ทำงานนะแต่ว่าทำใจด้วยมันต้องไปควบคู่กันอย่างนี้แหละถึงจะเรียกว่าเป็นนักปฏิบัติธรรมอย่างนี้แหละถึงจะสมกับหรือคู่ควรกับ ก, บการเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อคำเขียนนะเราจะไม่สามารถจะพูดด้วยความภูมิใจเหมือนหลวงพ่อที่พูดว่าท่านเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเทียนเพราะว่าหลวงพ่อเทียน รู้อะไรนะหลวงพ่อคำเขียนก็รู้อย่างนั้นเราพูดไม่ได้เต็มปากนะเหมือนที่หลวงพ่อคำเขียนพูดว่าท่านเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเทียนอย่างสมภาคภูมิแต่ว่าอย่างน้อยเราก็สามารถจะพูดได้ไม่ละอายใจว่าเราเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อคเขียนเพราะว่าเมื่อทำงานถวายท่านเราก็ทำนะอย่างมีสตินะเราทำด้วยความกระฉับกระเฉง เหมือนกับเวลาหลวงพ่อท่านปลูกต้นไม้เวลาท่านทำงานท่านก็ทำด้วยใจที่สงบมั่นคงแม้แต่เวลาท่านเดินก็ไม่มีอาการลุกเรืุอลุล่นแต่บางครั้งท่านก็รีบนะแต่ว่าไม่เคยรนเราอาจจะทำไม่ได้อย่างท่านแต่ว่าก็ให้ใกล้เครียงนะแล้วก็โอกาสที่ควรจะทำอย่างนั้นเนี่ย มันก็คงไม่มีโอกาสใดสำคัญแล้วก็คู่ควรเท่ากับโอกาสนี้เพราะว่าเป็นการทำเพื่อท่านโดยตรงนะเพราะฉะนั้นก็ให้เราน ะ, ะทำอย่างสุดถัวใจนะสุดถัวใจไม่ใช่หมายความแค่ขยันทุ่มเทนะแต่ว่าใจก็เต็มร้อยคือใจอยู่กับปัจจุบันไม่ใช่ทำงานเต็มที่แต่ใจไม่รู้อยู่ไหน ไปอยู่กับจุดหมายปลายทางไปอยู่กับอนาคตอย่างนี้เรียกว่าทําด้วยความหลงใจไม่เต็มร้อยใจเต็มร้อยนี่ไม่ได้แปลว่าทุ่มเทเต็มร้อยแต่ว่าใจอยู่กับเนื้อกับตัวเต็มร้อยด้วยไม่ใช่อยู่แค่ห้าสเอร์ซส่วนอีกห้โน่นไปอดีตบางไปอนาคตบางไปส่งจิตออกนอกไปดูคนโน่นคนนี้บ้างมาทำไมเขาไม่ไม่ทําเหมือนเราทำไมเขาเขาเขากินแรงนะอันนี้เรียกว่าใจไม่เต็มร้อยนะ ไม่สุดหัวใจสุดหัวใจคือว่าใจอยู่กับปัจจุบันด้วยทำงานใดใจอยู่กับงานนั้นด้วยใจเต็มร้อยโดยที่ไม่ลืมกายไม่ลืมใจทำทำงานแล้วใจไปอยู่กับงานจนลืมกายลืมใจก็ไม่ถูกน ะ, อ, ะอย่าไปลืมกายลืมใจให้ใจเราเต็มร้อยทั้งกับงานแล้วก็กับกายกับปัจจุบันนะก็คือมีความรู้สึกตื่นเต็มร้อยนะเต็มร้อยของ ชาวโลกเขาหมายถึงการทุ่มเทนะเต็มที่เลยแต่ว่าอาจจะไม่ได้ใจอาจจะไมไ่อยู่กับปัจจุบันเต็มที่หรือตื่นรู้ก็ได้นะเพราะนั้นเขาเลยทําไปก็ทุกไปทําไปก็ทุกไปทําไปก็เครียดไปอใจเต็มร้อยแบบ น, นั้นน่ยยังไม่ยังยังไม่เรียกว่าเต็มเต็มร้อยนะมันต้องเต็มร้อยในความหมายที่ใจอยู่กับปัจจุบันหรือว่าใส่ใจเข้าไปเต็มร้อยกับกับปัจจุบันขณะด้วยให้เราเข้าใจนะ แล้วก็ถือโอกาสที่เราจะได้มาฝึกนะทำด้วยทาอย่างสุดหัวใจแต่ก็ไม่หมดเนื้อหมดตัวไม่แบบหมดเนื้อหมดตัวไปกับงานหรือหมดเนื้อหมดตัวไปกับอารมณ์ก็ไม่เอาแต่ถ้าเผลอไปก็ไม่เป็นไรนะเผลอไปเอารู้ออกมาถือว่าเป็นการฝึกไปด้วยนะอันนี้แหละคือการปฏิบัติธรรมนะที่สำคัญมากนะแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ท้าทายเพราะว่า ก็คงมีอะไรที่ไม่คาดฝันไม่เป็นไปตามใจเราอีกมากมายเพราะว่าคนทำกันเยอะงานก็มากนะอันนี้ก็ต้องตั้งสติให้ดีนะแล้วก็สื่อสารกันให้รู้เรื่องนะว่าวันนี้และพรุ่งนี้มันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะกับที่นี่แล้วก็ที่โน้นเราจะได้ทำด้วยความพร้อมเพรียงนะด้วยความสามคัคคีแล้วก็เตรียมรับพร